การฟังธรรมะการปูดธรรมะเคยเตือนอยู่แล้ว <c oughs> ทำอย่างไรถึงจะได้เกิดผลเกิดประโยชน์จาตนผู้ฟัง <c oughs> ไปได้ตัดเตือนขอต้องควรดัง น, นั้นทาตัดเตือนจิตสอนไปแล้วจงนำมาชี้แจนารักษาในเวลาฟังธรรมะธรรมะจี่นั้นพูดไป ความอืไกลาจากกายจากใจของพวกเราเพราะธรรมะนั้น <c oughs> <c oughs> โดยส่วนใหญ่กัน <c oughs> ก็คือว่ารูปธระทนามธรรมรูปประทับหมายถึงรูปทั่วไปที่ตาของเรามองเห็นเห็นรูปเป็นวัตถุหรือรูปประทับรูปทุกอย่างที่เราเห็นแต่เรามีสติปัญญามีธรรมะในใจ ก็จะนำรูปนั้นมาที่จะรนาแกะไขในจิตใจเห็นตามเป็นจริงได้ปล่อยวางความยึดถือต่างๆให้หายไปคือรูปทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาจะต้องมีการแปรปรวนเป็นธรรมดาและจะมีการแตกสลายในที่สุดของมันในว่ารูปที่มีวิญญาณหรือหายวิญญาณไม่ได้มันเหมือนกันหมด นี่คือการทิดนิพิจารณารูปแบบธรรมให้เป็นธรรมะสอนใจของตัวไม่อย่างนั้นจิตใจก็หลุ่มล้งเถิดเสื่เห็นก็ไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรให้สวยงามกับจิตอกจิตใจถ้าไม่สวยไมายงามก็เบื่อหน่ายทําให้จิตใจวุ่นวายเดือดร้อนนะครับเรามีธรรมในใจเห็นสิ่งทั่วไปมันเหมือนกันเราก็ ปลุกปลดสบายใจก็ไม่แสบใ ย, ยใจก็สงบพอเรามีสตยรักษามีปัญญาแนะสอนใจของเราการฟังธรรมะการฝึกธรรมะก็เกือบฝึกสอนจิตใจของตัวเองให้รู้จักสิ่งต่างๆตามเป็นจริงของมันจิตใจที่ไม่ได้ฝึกสอนก็เหมือนสัตว์ป่าจะนำมาทำสารประโยชน์อะไรไม่ได้จะมาใส่เครเียนหรือหาดไถ ก็ไม่ได้เพราะมันไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมศาตร์ศาทุกชนิดเป็นอย่างนั้นเพราะขาดการฝึกการอบรมจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันเกิดมาไม่เคยศึกษาไม่เคยฝึกด่านจิตใจของตนมันเคยคิดเคยปรุงเคยยุ่งเคยเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ปล่อยมันไปอยู่ตลอดวันตลอดเวลาเมื่อมันเป็นเช่นนั้นความสุขความสบายความสงบเย็นนั้นไม่เคยเห็นเคยเป็นในจิตในใจนี่แต่จิต ห้งกับสัญญาอารมณ์ต่างๆรูปที่เคยเห็นมันก็ไม่มีวันเบื่อวันหน่าชอบติตคิดตรงอยู่เรื่อยๆเสียงที่เคยฟังก็เหมือนกันอยากฟังอยู่เรื่อยๆดินที่เคยถูกจมูกกดทํานองเดียวกันแต่ดินเราชอบอยากจะดมอยู่เรื่อยมันเป็นทํานองนั้นเรื่องของ จิตใ จ, จใจนั้นพอต่อกามารมณ์ต่างๆนั้นมันไมีวันพอถ้าหากเราไม่แยดแยดออกจากมันเหมือนกันกันกบไฟเอาเชื้อใสเท่าไรแทนที่มันจะดับมันจะหายไม่เป็นอย่างนั้นมันยิ่งลุกเรลวใหญ่ขึ้นไปเท่านั้นถ้าอยากจะให้ไฟดับเราต้องเอาน้ํามาดับมันไม่อย่างนั้นก็อเอาเชื้อออก พรมันหมดเชื่อมันก็ดับของมันลงไปเองไม่มีที่จะไหม้ชันใดจิตใจของพวกเราท่านก็ทํานองเดียวกันจะให้มันอิ่มพอในรูปเสียงดิ่นรสสัมผัสนั้นมันไม่มีวันมีเวลาจะอิ่มพอเป็นนี่จะอยากอยู่เรื่อยไปอยากอยู่เรื่อยไปวันอิ่มไม่มีนี่จะวันอยากวันหิวท่นจึงพูดเป็นบุคลาทิฐฐานทางปริยัติเอาไว้พูดถึง พ้าหมกขลาพาพระพิสุไปเที่ยวทุน ด, ดงไปเจอเปลืตัวหนึ่งตัวเท่าภูเขาแป่ปากเท่ารูเข็มนิ้วน้ำจะหายน้ำอยู่อย่างนั้นร้องวันค้างอยู่ตลอดเวลาฉันไปถามทำไมไปกินน้ำมีอยู่นั้นเขาบอกว่าไปแล้วมันมาเห็นพ้ะหมกคลาก็เลยนำบาด ของผ่านไปตักเอาน้ำถ้าที่สูงทั้งสามสิบองค์น้ำบาทไปตักเอาน้ำเพราะสงสารมากอกลงในปากของเศษตัวนั้นสามสิบบาท3ามสิบองค์รูปปากเขารูเข็มมันจะอิ่มจะพอเป็นเหมือนไรมันก็ไม่ไหลเข้าไปถามก็ยังหิวยังกระหายอยู่อย่างนั้นนี่ เ, เรื่องตัณหาราคะมานะทิฏฐิของมนุษย์เรา เหมือนกันกับภูเขามันใหญ่โตแล้วโหดฐานจริงจังแต่สิ่งที่ได้มาสิ่งที่เราต้องการนั้นมันเหมือนรูเข็มมันจึงไม่เต็มไม่พอให้สักทีได้มาเท่าไรก็ยังอยากเลื่อยไปไม่มีวันอิ่มวันพอนั่นเปรภายนอกเปรภายในธรรมที่ฐานคือตัวของเราทานเองถึงเป็นเตจไม่มีวันอิ่มวันพอนี่แต่วันนิ้ววันกระหายอยู่อย่างนั้นนี่ใจของพวกเราทานจึ่ไม่มีธรรมะ มันยากมันลําบากลาคาญทั้งช้งฉีดสิ่งเหล่านั้นก็พอเป็นพอไปพอใช้พอสอยอยู่แต่ความยากของเรามันมากมันจึงวุ่นวี่วุ่นวายเสียสายอยู่ตลอดเวลาเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการรักษาใจด้วยธรรมะจึงเป็นเรื่องสําคัญใจของใครที่ฝึกได้อบรมได้คนนั้นสุกคนนั้นสบายอยู่ในสถานที่ใด สุขใจอยู่ตลอดเวลาท่านจึงว่าเป็นสุ ข, ขัสโตคือมีความสุขอยู่ในจิตในใจของตนถึงจะไม่มีสมบัติวัตถุภายนอกท่านก็มีความสุขเพราะจิตใจไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆตลอดถึงเรื่องกายของท่านถ้าท่านมีอาจมีทมเพียงพอบอริบูรณ์ที่เจริญนะถวถึงจริงจังแล้วท่านก็ปล่อยวางเห็นตามเป็นจริงได้สุขสบาย กายมันก็เป็นธรรมดาพอมันเกิดมามันมีการแปลปรนหมาว่าผูปฏิบัติหรือผู้หมาปฏิบัติจะหลงไหลใฝ่ฝันอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้หาสิ่งบำรุงบำรเรอมันขนาดไหนหนาวมากกว่าเสื่อหาผ้ามาหนุ่งมาห่มให้ร้อนมากกว่าหน้ำหาสิ่งมาดับให้มันเย็นหาพัดฮะอะไรมาพัดเสือความเย็นความสบาย หิวมาจะหายมาก่อนฮเครื่องมาให้ดื่มให้ทานอยู่อย่างนั้นแฉถึงอย่างนั้นมันก็ไม่เคยหลงไหลใฝ่ขวันว่าเรายินดีชอบใจในมันจะอยู่กับเราเรื่อยไปไม่เป็นอย่างนั้นหน้าจีของมันแฉมันก็แฉเรื่อยไปหน้าจีของมันแตกสลายนั่นก็แตกสลายเรื่อยไปมันไม่หลงไหลกับเราผูกหลงมันเรารักมันแต่มันไม่รักเราความจริงมันเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นผู้พิจารณาทำ เข้าใจในธรรมตามเป็นจริงว่าจิ่งเหล่านี้มันมีหน้าที่อยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้จะเอาสาระประโยชน์อะไรกับมันนั้นเอาไม่ได้ทีนี้พิ่เจนาเผื่อถอดถอนความยึดถือกายวัดตัวตนคนสัตว์ให้หลุดออกไปตกออกไปผู้มาพิ่เจนาเรื่องสัตว์บุคคลต่างๆนั้นท่านก็เข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องของรู ป, ปรขันไม่ใช่เรื่องของ ขาดสี่อันนี้ท่านรู้ดีท่านจึงไม่มีการบันไหวถึงมันจะเป็นไปตามเรื่องของมันก่อทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นเราพิจารณารู้เข้าใจมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเราไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแต่สี่ผิดแปลกแตกต่างกันก็คือผู้พิจารณานั้นไม่หลงไหลฝ่ฝันมันเป็นอย่างไรก็เห็นตามเป็นจริงของมันจิตใจอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ซึ่ง เป็นทางปันหาหม่มีถ่าจริงปกติเห็นมันเป็นอย่างไรก็ดูมันเข้าใจมันอยู่อย่างนั้นแต่พวกเราท่านที่ไม่มีอัธทธรรมในใจมันปล่อยวางไม่ได้พอมันเป็นขึ้นก็หลงไหลไฝ่ฝันคิดอยากให้มันดีมันหายคิดอยากจะให้มันยืนยงคงอยู่คิดไปต่างๆนานาแต่ถ้าหากมันไม่เป็นไปตามความคิดของตัวก็เลยเกิดทุกข์เกิดโทษขึ้น บางคนก็บ่นเพ้อบางคนก็ร้องไห้เสียใจควทางต่างๆเพราะเจ็บไข้ได้ทุกนิดนิดหน่อยๆโดยอําน้าใจที่ไม่มีอาจมีทำก็เลยไม่มีที่จะพึ่งพาอาศัยเจ็บนิดๆหน่อยๆก็เป็นเจ็บหนักเข้าทางเหมือนกันกับเสือใหญ่ถูกปืนมันเป็นแบบนั้นนี่คือคนไม่มีอัจมีทำถ้าคนมีอาจมีทำ ท่านไม่ได้หลงไหลไฝ่ฝันท่านพิจารณาของท่านตามเป็นจริงของมันมันจะเป็นไปอย่างไรเข้าใจอยู่ในตัวอยู่แล้วีผู้มีธรรมจึงไม่เปรียบของผู้ไม่มีธรรมอยู่ตลอดเวลา <c oughs> คือจิตใจของท่านสบายจิตใจของท่านไม่หลงไปตามหูปธรรมนามธรรมต่างๆพวกเราท่านก็ควรศึกษาที่นี้ที่จะรดนา <c oughs> นำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาอบรมบ่มใจไม่ใช่ว่าอยู่ไปอยู่ไปมันก็จะสุกมันเองเหมือนผลไม้ต่างๆทั้งๆที่เราไม่ตส่งไปบำรุงบําเลออะไรมันถึงการเวลามันสกดอกออกผลมันก็สกดอกออกผลของมันเองถึงเวลามันสุกมันก็สุกมันเองถึงเวลามันหล่นมันก็หล่นมันเองมันไม่เป็นอย่างนั้นเป็นไปกับเรื่องของขาดของขันขาดขันมันเป็นอย่างนั้นมันเกิดมามันก็มีหน้าที่ แก่ขึ้นไปแก่ขึ้นไปเป็นธรรมดาเหมือนผลไม้ต่างๆถึงเวลามันถูกงอมของมันแก่เต็มที่มันก็ตายไปหากหากไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนในระหว่างเหมือน ก, นกันกับผลไม้ <c oughs> เกิดมายังไม่ได้แก่อะไรแต่ถือเสว่าถูกฝนถูกพายุใหญ่มาพัดเขา้ามันตกหลุดกระนลงไปนั่นมันอีกประเภทหนึ่งมีเรื่องของวัตถุ มีอยู่ในโลกเป็นอย่างนั้นแต่จิตใจของพวกเราท่านจะให้มันสุขมันอิม่มมันพอมันเต็มมันสมบูรณ์โดยอาดโดยธรรมนั้นถ้าหากเราไม่ประพฤติปฏิบัติไม่ทีนิติเจนาะไม่รักษามันไม่มีวันอิ่มวันพอให้พอตายจากนี้ก็ไปเกิดใหม่ก่อพบกอชาตมานับไม่ถ้วนแต่เรามันคนขี้หลงจึงสงสยัยว่าเกิดแล้วตายแล้วเกิดอีกไหม หรืออย่างไรเลยสงสัยอยู่อย่างนั้นเพราะคนขี่หลงจะพูดอะไรพบชาติที่งมนานขนาดนั้นเพียงวันนี้หรือเดียวนี้จะขึ้นมานั่งในสลานี้หายใจเรลากี่หนเพียงถามแถวนี้มันกดติดทั้งๆที่หายใจอยู่นั้นเนี่ยสัญญาอนิจจาความเสีเ่ยงของสัญญาความจำของเราในพบชาติก็ททำนองเดียวกัน มันทราบไม่ได้อยากทราบอยากเข้าใจบอกพิจารณาอาจทำรู้ทราบเรื่องสี่ตัวเคยเป็นมาอย่างไรต่ออย่างไรถ้าหามีวาทศนาอุปนิสัยพอที่จะทราบอย่างพระพุทธเจ้าหรือสาวกบางท่านบางองค์ทา่านก็ทราบดีเราเคยเกิดเป็นอันนั้นอันนี้เรื่อยๆมาแต่การพิจารณาเรื่องความเกิดในพบในขาติต่างๆนั้น บางทีก็ทําให้จิตใจลุ่มหลงเปิดเินไปในพบในชาติของตนก็เป็นได้แต่เรื่องสําคัญที่พระพุทธเจ้าสั่นสอนว่าไม่จําเป็นที่อยากจะไปรู้ไปเห็นสิ่งต่างๆมากมายหลายหลวงอย่างนั้นเพียงเราเห็นเราเป็นอยู่เดียวนี้เราก็ยังคุ้มครองรักษาใจของเราไม่ให้ลุ่มหลงไม่ได้รู้มากเท่าไรก็หลงไปเท่านั้น ให้รู้เรื่องของใจของจิตว่ามันอยู่กับอารมณ์สัญญาอะไรอารมณ์ที่มันอยู่มันอาศัยมันเป็นอารมณ์ของ ร, รมที่จะขับไล่กิเลสตัณหาหรือเป็นอารมณ์ของกิเลสที่จะสะสมกองทุกข์ให้ดูอยู่ภายในที่าจนาอยู่ภายในนี่ถูกต้องเมื่อเราที่าจนาอยู่ภายในกำหนดอยู่ภายในใจไม่ได้ฝูงฟง ติดข้องกับสัญญาอารมณ์ภายนอกใจมันก่อเยือกก่เย็นใจมันก่สงบใจมันก่อสุยิ่งเห็นยิ่งรู้เข้าใจในอัดในทาเท่าไรปล่อยปะละกิเลสไปได้เท่าไรใจก็ยิ่งสงบใจก็ยิ่งสดใสใจก็ยิ่งสะอาดเหมือนกันกับกายของเราสิอาบน้ำสำําระออกไปหรือกายของเราไม่มีโรคภัยกายจะแข็งแรง ใจกายจะสบายจะทำการทำงานอะไรสะดวกเพราะไม่มีโรคภยัยบเบียดเย็นกายใจของท่านที่บริสุดหมดจากกิเลสตัญหาซึ่งเป็นโรคภายในของใจตกออกไปหมดออกไปเท่าไรใจของท่านก็ยิ่งสว่างสวัยใจของท่านก็ยิ่งเหยียกเย็นท่านจะนึกจะคิดจะที่นพิจะะารณาอะไรท่านก็สะดวกสบาย รู้เห็นตามเป็นจริงในสิ่ ง, น, งนั้นนั้นไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังใจของท่านเมื่อท่านฝึกท่านรักษาจิตใจของท่านได้สะดวกสบายแล้ว <c oughs> เรื่องต่างๆในโลกที่มันเป็นอยู่อย่างไรเราไม่มีความสามารถที่จะไปแก้ไขก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันหากเราสามารถที่จะแก้ไขในสิ่ ง, น, งนั้นนั้นเราก็แก้ไขไป พอจะแนสอนเขาได้ก็แนสอนเข้าไปไม่แนสอนก็ไม่มีเสียหายอะไรพอใจของเราที่ประพฤติปฏิบัตริรู้เห็นเป็นจริงอย่างไรมันก็คงเส้นคงวาอยู่อย่างนั้นไม่มีวันที่จะสงสัยว่าวันนี้ทําไมใจมันจึงเกิดยุ่งเหยิงเดือดร้อนมันไม่มีวันสงสัยประสบพบอะไรก็เหมือนกันรูปที่เราเคยคุ้เคยคิดเคยจิตเคยข้องจะเป็นรูปมนุษย์ สวยงามขนาดไหนไม่ว่าจะรูปมนุษย์รูปเทพพระบูรเทพพระธิดาอยู่สันฟ้าดาวาดึงหรือที่ไหนกอตามจะปรากฏขึ้นในการนั่งภาวนาของเราเราจะมีความกำนัดยินดีอยากได้ในรูปหน น, นั้นมันเป็นไปไหมฝูภาวนาฝูศึกษาอัดธรรมจะต้องดูใจข้องตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อมันมีการกระดิกทิกแทงอย่างไร แทนจะ ح, รทราบรายลเลียดตัวนี้มันยังมีอยู่จะต้องพิจรารณาข่ามันให้หมดออกไปดูภายในของตัวอยู่อย่างนั้นตลอดเวลานี่คือผู้พิจรารณาผู้ศึกษาธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมะไม่เคยปล่อยวันเวลาให้เป็นหมือนพิจรารณากันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าบินเท่าบาทหรือขบฉัน <c oughs> นั่งนอนอยู่สถานที่ใด <c oughs> สตปิปัญญามันเป็นอัตโนมัติของมันจะแก้ไขขับไล่เรื่องกิเลสตัณหาอยู่เรื่อยไปอะไรเกิดขึ้นไม่เคยเผลอให้มันมายุ่งเกี่ยวให้เสียวัวนเสียวเวลาเสียถาเสียทีของกิเลสตัณหารักษาอยู่อย่างนั้นรักษาใจของตัวนี่เข้าถึงขั้นที่เป็นอัตโนมัติผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นไปเองจะเห็นจะเป็น ไม่ต้องสงสัยว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเข้าถึงขั้นของมันมันเป็นไปเองฉะงนั้นการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสาคัญเบื้องต้นกว่ามีการฝึกฝนอบรมบางทีกว่าได้บางทีกว่าเสียมันเป็นธรรมดาเราฝึกใหม่เหมือนกันกับเราศึกษาเราเรียนสอบบางทีกว่าได้บางที ก, ก็ตกแต่ถึงอย่างไรก็ดีกว่าพยายามผ่าเรียนพยายามเรียน เรื่อยไปผลที่สุดมันก็ได้ตามความหมุ่งหวังของตัวเพราะความเชี่ยนมุ่งหน้ามุ่งตาพยายามจะเอาจริงเอาจังมันสมหวังสมความต้องการของตนในทางธรรมะท่านจึงสอนไว้ว่าจริงที่เราต้องการปรารถนานั้นถ้าหากเราท่ันต้องการปรารถนาจริงจังมุ่งหวังในสิ่งนั้นจริงจังแล้วสิ่งนั้นจะสําเร็จลุล่วง ความมุ่งหวังของตนวิริยนาทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุกไปได้เพราะความเทียนเทียนพยายามํำละสะสางจิตใจของตนสีบข้องจิตคิดแวะต่างๆหักห้ า, า, ห า, หามเอาและแนะสอนจิตใจให้รู้ให้เห็นในอัดในธรรมเลื่อยไปผูที่ตั้งใจทีนิพิจารณาศึกษาปฏิบัติธรรมะอย่างนั้นมันจะเป็นไป ทุกท่านทุกคนไม่มีใครที่จะเหลือวิสัยเพราะทรมะเป็นเรื่องซักกอกใจใครนำมาํำระสาสางใจใจจะสะอาดใจจะสะงบเรื่องกิเลสตัณหาอย่านึกว่ามันจะเป็นทางนำความสุขความเจริญมาให้มันจะอิ่มจะพอเป็นมันไม่มีวันมีเวลาที่จะอิ่มจะพอเย็นก่อเย็นเกลือกไปด้วยกิเลส เรื่องกิเลสความอยากของใจนั้นเหมือนกันกันกบยาพิษเกลือบนําตาลหวานนอกแต่เป็นพิษภายในพวกเราท่านที่ความศิษในอา m i t ์ต่างๆก่อทานองเดียวกันความเสียใจในสิ่งที่เราต้องการนั้นจะมีวันใดวันหนึ่งเกิดขึ้นให้เราได้รับทุกข์รับโทษยิ่งชอบยิ่งขิตยิ่งยินดีเท่าไรสิ่งนั้นแหละเป็นพิษเป็นภัยมากถ้าหากไม่พิจารณนาะ ทางอัดทางทำเพื่อแก้ไขแต่นั้นพวกเราท่านที่มุ่งหน้ามาปฏิบัติอัดทำโปรอจงจดจำพินิจพิจารณาสัมระใจของตัวใจนั้นมีทางที่แก้สัมระได้ไม่ใช่ว่ามันโง่มันเดือดร้อนมันวุ่นวายจะไม่มีวันฉลาดไม่มีวันสงบไม่มีวันเย็นมันจะสงบได้โดยอุบายสติปัญญาของตัว ดังนั้นการปฏิบัติการรักษาธรรมะคือหน้าที่ของทุกคนที่จะประพฤติปฏิบัติเมื่อเราเห็นเราเป็นเราเย็นเราสงบโลกอันนี้มันก็เย็นก่็สงบไปหมดพอเราสงบถ้าเราเดือดร้อนเราวุ่นวายถึงโลกอันนี้มันจะสงบอยู่เราก็เดือดร้อนอยู่วุ่นวายอยู่ไม่มีที่พักที่อาศัยไม่มีที่ไหนจะเยะเ็นให้เหมือนกันกับสุนัข หัวบาทนอนไสอยู่วิ่งไปที่ไหนว่าจะสุขจะสบายมันก็ไม่สุขไม่สบายให้พอนอนหรือแข็งของมันอยู่ที่หัวของมันเป็นเหตุนี่จิตใจของพวกเราท่านกว่าทํานองเดียวกันจะวิ่งไปที่ไหนขากิเลสตัณหานี่อยู่ในจิตในใจแล้วไม่มีที่สุขไม่มีที่สบายให้เมื่อขับไล่เรื่องกิเลสตัณหาออกจากใจก็เหมือนสุนัข หัวมันดีไม่มีแผลนอนไม่ใสหัวของมันจะนอนตามกองพืนกองไฟตามใสถุนหรือตามหุบไม้มันก็สุขสบายของมันนี่ใจของพาริยาเจ้าท่านกดทํา น, นองเดียวกันท่านอยู่สถานที่ใดมีความสุขใจความสบายใจไม่มีอะไรที่จะไปยุ่งเกี่ยวเพราะท่านขับไล่เรื่องกิเลสปัญหาของใจออกไปหมดพวกเราท่านอยากจะสงบอยากจะสุขอยากจะสบาย ก็พากันขับไล่จิตใจที่จอมพร้อมเอยวว่าวัดยี่เลี่ยตันหาให้ตกออกไปไม่อย่างนั้นจะไม่มีวันเวลาจะสะดวกสบายให้จิตไม่สะดวกจิตไม่สบายไปอยู่สถานที่ใดไม่สบา ย, ย, ะาบายจะอยู่ในที่เย็นเท่าไรมันก็ไม่เย็นให้แต่นั้นจึิงควรที่นิพิจรารณาควรศึกษาเอ า, ะเอาละเละย้บ้า <Overwatch> ง